ตอนโครงสร้างชีวิตเมื่อได้จำแนกยศออกไปเป็นสัด ส, ส่วนตั้งกล่าวมาแล้วแม้จะยังไม่ได้พูดไปถึงว่ายศแต่ละอย่างนั้นเราจะสร้างขึ้นได้อย่างไรแต่ก็มองเห็นความจำเป็นขึ้นแล้วว่าทุกคนควรจะมียศและก็ควรจะมีทั้งสามอย่างนั้นอยู่ในคนคนหนึ่งเพราะว่า ยศแต่ละอย่างเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดารงชีพให้สุขสบายและมีความก้าวหน้าทั้งเป็นแนวป้องกันและต้านทานความทุกข์ที่จะจู่โจมเข้ามาเล่นงานเราตามความมุ่งหมายหลักแห่งปักถฐาเรื่องนี้โครงชีวิตของคนเราทุกคนควรจะจัดให้ได้ลักษณะสมอย่างมีลักษณะเหมือนพระเจดี ท่านผู้ฟังคงจะเคยเห็นมาแล้วทุกคน JD ดีที่สร้างถูกลักษณะจริงๆต้องมีลักษณะสำคัญสอย่างนี่ว่าถึง JD ดีก่อนเมื่อเข้าใจลักษณะ JD ดีแล้วก็จะเข้าใจเรื่องโครงชีวิตได้ง่ายเข้าลักษณะ JD ดีอย่างนั้นได้แก่ความสูงความใหญ่และความขลัง จำง่ายๆว่าสูงใหญ่ขลังนี่แหละลักษณะเจดีย์ที่สร้างถูกแบบก่อนจะได้พิจารณาลักษณะเหล่านี้ต่อไปเชิญท่านชมลักษณะพระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นปูชนียสถานใหญ่ยิ่งแห่งหนึ่งของชาวไทยความสูงคือวัดาจาับพื้นดินขึ้นไปถึงยอดต้องให้สูงตรงานมองเห็นแต่ไกล ความสูงเป็นลักษณะพิเศษและเป็นคุณสมบัติอันแรกที่ผู้ไปนมัส ก, การจะได้รับเป็นการเรียกร้องให้คนเข้ามาดูมาชมสังเกตดูเวลาเราไปถึงเมืองนครปฐมก่อนะจะถึงสัก10กิโลเมตรเราก็มองเห็นยอดองค์พระประถมเจดีย์พอมองเห็นยอดเท่านั้นความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจจะเกิดขึ้นทีเดียว ถ้ามีเพื่อนร่วมทางเราก็จะพูดอะไรขึ้นมาสักอย่างเกี่ยวกับพระปฐมเจดีถ้าไม่มีหรือเป็นการที่ไม่ประสงค์จะพูดเราก็จะนึกขึ้นมาในใจว่าเอาละ่ะมองเห็นยอดพระปฐมเจดีแล้วหรือความนึกคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการที่สายตาของตนได้กระทบกับภาพอันสูงตระหง่านขององค์พระปฐมนั้น และถ้าท่านสังเกตดูให้ดีจะเห็นว่าจิตของท่านได้เปลี่ยนอาการบางอย่างไปจากความเหนื่อยเพลียกลายเป็นความกระปี้กระเป๋าจากความแห้งผากกลายเป็นความชุ่มชื่นจากความมุนวายกลายเป็นความสงบและมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเร่งเร้าตัวเองให้อยากไปถึงเร็วๆ เ, เข้าความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจดังกล่าวนี้ เป็นผลที่ได้จากความสูงตรงานของพระเจดีย์ทั้งนั้นผมเคยผ่านนครปฐมทางเครื่องบินและเป็นการผ่านในระยะต่ำบ้างสูงบ้างโดยบินวนรอบอยู่หลายรอบในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองในการเดินทางจากพระนครไปประจำกองพลทางภาคใต้ขณะที่เครื่องบินอยู่บนอากาศนั้น มองลงมาเห็นองค์พระปฐมเจดีย์เลื้องอรารามและสูงยิ่งขึ้นไปในอากาศทำให้เห็นภาพที่น่าเคารพและกราบว่าอย่างบอกไม่ถูกผมถอดหมวกและกราบก้มลงบนตักด้วยความสึงใจและมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคืออยากจะตะโกนบอกชาวเมืองนครปฐมว่าถ้าเกิดหัวขึ้นแล้วก็อย่าไปหลบที่ไหนเลย เข้าไปพึ่งพระประถมจดีนั้นแหละเพราะเชื่อแน่ว่าแม้นักบินฆ่าสึกที่ใจป่าเถื่อนที่สุดก็คงไม่ทิ้งระเบิดที่องค์พระปฐมเป็นแน่ผมได้พบภาพประทับใจและความเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกเนื่องจากเหตุทํานองเดียวกันนี้อีกแห่งหนึ่งที่เมืองนครศรีธรรมราชสำหรับผู้เดินทางไปเมืองนครศรีธรรมราชโดยทางรถไฟ พอขบวนรถโผล่ออกจากชายป่าลงทุ่งเมืองนครเราจะมองเห็นองค์พระมหาธาตุสูงตระ n g g a n พ้นดงมะพร้าวและทิวทัศน์ของตัวเมืองความสูงเด่นขององค์พระมหาธาตุเดเรียกร้องและเร่งเร้าผู้ที่ไปเมืองนครในทันทีที่ได้เห็นนั้นให้เกิดความตั้งใจว่า เราจะต้องไปนมัสการพระมห า, าธาตุให้ได้สำหรับผู้ที่เคยได้ฝึกจิตก็จะได้พบความเปลี่ยนแปลงทางจิตในขณะนั้นคือขณะที่ขบวนรถไฟโผล่ลงทุ่งนคร น, นั่นเองเพียงแต่เพ่งสายตาไปที่องค์พระมห า, าธาตุจิตของเราจะชุ่มชื่นเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดผมได้พยายามค้นหาเหตุผลอยู่นานว่า ทำไมเมืองนครศรีธรรมราชจึงเป็นเมืองที่สงบสบายพีดจางทุกหัวเมืองในภาคใต้สงขลาเป็นเมืองธุรกิจหาดใหญ่เป็นทำเลแห่งการแข่งขันยะลาปัตตานีเป็นถิ่นระแวงนี่เป็นการประมวลความรู้สึกทางจิตใจของผมและได้ทดลองอย่างความรู้สึกดูหลายคนก็ตรงกัน สำหรับเมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองสงบและน่าอยู่บรรยากาศที่ปกคลุมตัวเมืองอยู่นั้นเป็นบรรยากาศแห่งมิตรภาพแ ท, ะ ท, ะทะ้ๆผมคิดว่าองค์พระมหาท่านนั้นคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่สร้างสั ญ, ญลักษณ์อันล้ำค่าแก่ชาวนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะคนต่างถิ่นผู้เดินทางไปนครศรีธรรมราชข้าพเจ้าคิดว่า ในขณะรถไฟโปล่ลงทุ่งนครนั้นน้อยคนทีเดียวที่จะมองชาวนครในฐานะเป็นศัตรูคือทุกคนจะถูกความสูงตรงานขององค์พระมหาธาตุเข้าไปแปลสภาพจิตใจของอาคันตุ ก, กะให้พนมมือไหว้และมุ่งในทางดีทันทีที่เข้ามาถึงชาญเมืองตรงนั้นแล้วก็ประหลาดอีกเหมือนกัน คนที่ได้ไปพักอาศัยอยู่ในนครแล้วจะเดินทางจากไปก่อนที่รถไฟจะพาเขารับเข้าสู่ทิวไมน้นจุดเดิมตอนเขามาแทบทุกคนจะหันหน้ากลับไปยังเมืองนครอีกครั้งหนึ่งเขามองที่องค์พระมหาธาตุเป็นจุดสุดท้ายแล้วก็พนมมือไหวอีกครั้งทำให้เกิดมิจจิตกับชาวนครแนบแน่นโดยไม่รู้ตัว นครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่อาคันตุกะจะต้องพนมมือไหว้ถึงสองครั้งคือแรกไปถึงครั้งหนึ่งและวาระสุดท้ายที่จะจากไปอีกครั้งหนึ่งที่เล่ามานี้เป็นการค้นพบเหตุผลทางจิตใจโดยลําพังตนเองอาจผิดไปก็ได้เทตุจริงอย่างไรขอท่านลองพิสูจน์ด้วยตนเอง เมื่อท่านมีโชคดีได้เดินทางไปยังนครแห่งมิตรภาพนั้นข้าพเจ้าออกจะพาท่านผู้ฟังเตลิดออกนอกเรื่องมากไปเสียแล้วขอโทษ ด, ด้วยบางท่านอาจสงสัยว่าข้าพเจ้าอาจมีอะไรอะไรอยู่กับชาวเมืองนครศรีธรรมราชเสียละกระมังเปล่าเลยจริงๆข้าพเจ้าไม่ใช่ชาวนครศรีธรรม ร, ราช และไม่มีส่วนได้เสียอะไรกับชาวนาครที่จะมายืน อ, อธิบายสรรพคุณของเมืองนครให้ท่านฟังแต่ความสูงตรึงหานขององค์พระมหาธาตุที่ติดตาตรึงใจของข้าพเจ้านั่นเองที่ทำให้ข้าพเจ้าเว้นที่จะไม่คิดถึงเสียมิได้ในเมื่อพูดถึงเรื่องเจดีเป็นอันว่าความสูงเป็นลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของเจดี แต่ว่าเมื่อต่อยอดให้สูงขึ้นเท่าไหร่ก็จำเป็นจะต้องคำนึงเรื่องความใหญ่ของเจดีย์นั้นด้วยหมายความว่าเมื่อยอดสูงขึ้นก็ต้องสร้างองค์ให้ใหญ่และขยายฐานให้กว้างพอสมส่วนกันถ้ามีแต่สร้างความสูงชูรูดขึ้นอย่างเดียวก็ไม่น่าดูขาดความมีสง่าเหมือนคนสูงโยง่ง แต่ผอมกรงเกรงขาสง่าสู่คนสูงแต่ร่างใหญ่ล่ำสันไม่ได้ดูหน้าเกรงขามกว่าข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความใหญ่ของเจดียยอมทำให้เกิดความมั่นคงไม่พังง่ายเพราะความสูงนั้นมีความใหญ่เป็นฐานรองรับไว้เรื่องนี้เป็นที่เข้าใจง่ายมองเห็นเหตุผลอยู่แล้ว เพียงแต่จำไว้ก่อนแล้วค่อยเทียบกับลักษณะของคนที่หลังมีลักษณะสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะขาดเสียไม่ได้คือความขลังไม่ว่าใครเมื่อสร้างเจดีย์เสร็จแล้วเขาจะต้องบรรจุสิ่งได้สิ่งหนึ่งที่น่าเคารพน่ากราบไหว้บูชาไว้ในเจดีย์นั้นเช่นพระบรมธาตุหรือพระพุทธรูป หรือคำพีพระธรรมหรือธาตุของพระอรหันต์ก็แล้วแต่จะหาได้ซึ่งรวมเรียกว่าของขลังบรรจุเข้าไว้ในเจดีย์นั้นของขลังที่บรรจุไว้นี่แหละเป็นหัวใจของเจดีย์เป็นจุดสำคัญหรือจะว่าเป็นค่าของเจดีย์ก็ว่าได้เพราะเจดีย์นั้นแม้จะสร้างด้วยรับมหาสารและประกอบด้วยศิลปะ งดงามเพียงใดก็ตามจะมีผลก็แต่เพียงทำให้คนชมเท่านั้นต่อเมื่อมีของขลังบรรจุอยู่ในนั้นจึงจะมีผู้กราบไหว้บูชาผลของการมีของขลังบรรจุอยู่ภายในที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเป็นเครื่องป้องกันองค์เจดีย์ไม่ให้ใครรื้อทิ้งได้ง่าย นับว่าเป็นหลักประกันความมั่นคงถาวรที่สำคัญที่สุดอย่างเช่นพระปฐมเจดีประเทศไทยเปลี่ยนกษัตริย์ครองบ้านครองเมืองมาแล้วหลายรัชกาลเปลี่ยนรัฐบาลมาแล้วหลายคณะก็ไม่มีใครคิดที่จะรื้อพระปฐมเจดีมีแต่คิดจะบำรุงเรื่องของเรื่องคือรื้อไม่ลงท่านผู้สร้างได้บรรจุ ข, ของขลังไว้ในนั้น ถ้าหาไม่ป่านนี้เทศบาลเมืองนคนปรปฐมอาจรื้อเอาเศษอิฐไปทำถนนแล้วก็ได้หรือไม่อาจมีท่านผู้บุญหนักสัก์ใหญ่เห็นว่าทําเลตรงนั้นอากาศดีเลยสั่งให้รื้อเจดีออกปลูกบ้านขึ้นตรงนั้นแล้วก็ได้แต่นี่ก็ไม่มีใครคิดทำลายเพราะติดของขลังนั่นเองย้อนเข้าหาตัวเศรษฐี การสร้างตัวหรือสร้างโครงชีวิตนั้นท่านว่าต้องให้มีลักษณะสำคัญพร้อมสามอย่างเหมือนกับเจดีคือสูงใหญ่ขลังแต่เรื่องของคนเราจะต้องสูงด้วยอิสริยยศใหญ่ด้วยบริวารยศขลังด้วยเกียรติยศ ที่ว่าสูงคือสูงด้วยอิสริยะได้แก่มีความเป็นใหญ่ในตัวซึ่งจะอธิบายต่อไปในตอนว่าด้วยเรื่องอิสริยยศข้างหน้าสำหรับตอนนี้เกริ่นไว้แต่เพียงว่าอิสริยะเป็นความสูงเด่นของคนเหมือนกับความสูงของเจดีย์ที่ว่ามาแล้วแต่เมื่อมีอิสริยยศสูงขึ้น ก็ต้องเสริมความใหญ่คือเพิ่มบริวารยศให้ได้ส่วนกันหมายความว่าคนเรายิ่งโตยิ่งเป็นผู้ใหญ่ก็จําเป็นต้องมีพวกพ้องที่เรียกว่าบริวารให้มากขึ้นตามส่วนคนที่ใหญ่คนเดียวไม่ดึงคนอื่นให้ขยบตามไปด้วยหรือไม่ปลูกฝังความรักใครนับถือให้บุคคลข้างเคียงก็ไม่ผิดอะไรกับใจดี ที่มีแต่ต่อยอดสูงโดดขึ้นไปให้เทียมเมฆแต่ไม่ขยายฐานให้ได้ส่วนประเดี๋ยวก็จะพังกลึนเท่านั้นและนั่นก็จะเป็นการฟ้องความโง่ของช่างผู้ก่อสร้างด้วยเจดีย์นั้นยิ่งสูงก็ยิ่งต้องขยายฐานคนเรายิ่งสูงก็ยิ่งสร้างพวกพองชั้นใดก็ฉันนั้นทีนี้เมื่อมีทั้งสูงทั้งใหญ่แล้ว ก็ต้องมีความขลังหมายความว่ากิสริยยศก็มีแล้วบริวารยศก็มีแล้วก็ต้องมีเกียรติยศเข้ากำกับด้วยเป็นองค์ที่สจึงจะครบถ้วนบริบูรณ์เกียรติได้แก่ความดีที่คนเคารพนับถือที่ว่ามีเกียรติยศพูดง่ายๆก็คือมีความดีไว้ในตัวให้พวกบริวารได้เคารพ คนเราถ้ามีดีในตัวย่อมเป็นที่รักและเคารพของพวกพ้องยั่งยืนไม่จืดจางนับว่าเป็นหลักประการอิสริยยศและบริวารยศอย่างดียิ่งในบทต่อไปข้าพเจ้าจะนำท่านผู้ฟังเข้าไปศึกษาและพิจารณารายละเอียดของยศทั้งสามอย่างนี้แต่ขอเรียนไว้ด้วยว่าการบรรยายต่อไป ก็คงมุ่งที่จะเน้นให้ท่านผู้ฟังเห็นความเกิดและความเสื่อมของยศตามแนวโลกธรรมและเป็นการนำท่านบ่ายหน้าไปสู่จุดหมายของปาฐกถาเรื่องนี้คือกลวิธีแก้ทุกข์